วันอาทิตย์ที่14มกราคม2539เป็นการบรรยายพิสูจน์ในสังยุปนิกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิศรทธาท่านสาธุชนที่เคารพการบรรยายพะสูตรในครั้งนี้จะอธิบายสืบต่อจากที่พูดค้างไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนพะสูตร์ที่กำลังพูดถึงมีชื่อว่ากลาละคติยสูตร ซึ่งเป็นสูตรที่สองของวรรคที่สี่ได้อธิบายมาถึงกลางสูตรนะครับอยู่ในหน้าที่สามที่พระภูมมีพระภาคเมื่อได้ทรงตรัสถามพระสัรีบุตรถึงจุดเริ่มต้นจากประเด็นเรื่องการพยากรณ์อรหัตผลของพระสาตรีบุตรอ โ, โดยพระภูมิเนียภาคถามว่าชาติมีเพราะอะไรไม่มีเพราะอะไรมาโดยลําดับอ่าของปรกิจจัแต่ครั้นพอมาถึงผัสสะต่อเวทนา ท่านพร ะ, ะพระพุทธเจ้านั้นได้เรียกว่าถามมาหยุดอยู่ที่องค์ปฏิจจาุณองนี้คือเวทนาเนี่ยว่าปฏิบัติต่อเวทนาอย่างไรเพราะว่าการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานถ้ากำหนดเวทนาอย่างรูปแบบของสติปัฏฐานสี่ ก็ถือว่าจเจริญเวทนานุปัสสนาปฏิปทานถ้าปฏิบัติอยู่ในรูปของปฏิจจะก็ชื่อว่ากำหนดเจาะลงไปที่เวทนาซึ่งเป็นองค์กลางของปฏิจจสมุปบาทพระตริบุตรนั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะการจเจริญเวทนาถ้าหากว่าถามว่าพระตริบุตรนั้นบรรลุเป็นพระโสดาบัน ด้วยการเจริญบัพไหนก็ตอบว่าพระสัรีบุตรนั้นเจริญเป็นพระโสดรบันด้วยการกําหนดเจริญในส่วนของสัจจะบัพคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่เป็นอริยสัจสี่ที่พระสัรีบุตรใช้กําหนดและบรรลุในขณะยืนเนี่ยก็ยคือเมื่อท่านได้พบท่านอัตชิท่านอัตชิได้แสดงอัตชีคาถาว่าเยธรรมมาเหตุปปภาว ในเยธรรมัยตุปภาวานั้นโดยสงเคราะห์สภาวะออกมาแล้วก็คืออริยสัจสี่นั่นเองว่าทําทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดคําว่าทําทั้งหลายเหล่าใดนั้นหมายถึงทุกมีเหตุเป็นแดนเกิดหมายถึงตัณหากับผู้มีพระภาคทรงแสดงเหตุแสดงธรรมเหล่านั้นด้วยแสดงเหตุแล้วก็ความดับของธรรมเหล่านั้นอในที่นั้นมีคําว่าความดับของธรรมเหล่านั้นท่านอธิบายว่า หมายเอาปฏิปทาเพื่อความดับด้วยและความดับด้วยก็คือความดับเป็นการแสดงมรรคกับนิโรธสองอย่างอยู่ในนั้นพระตริบุตรก็ได้บรรลุ ด, ด้วยการจะเริยนวิปัสสนาโดยสัจจะแบบผมคราะก็เป็นธรรมานุวัสสนาสติปัฏฐานนั่นตอนบรรลุเป็นพระโสดาพัน ตอนนี้มาพูดถึงตอนที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยก็หมายก็ว่าไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์อย่างเดียวบรรลุสกทาคาณาคาและสุดยอดที่พระอาหารหันต์เมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดทีฆะนักขัตปริภาชก็เลยจะขอเล่าตรงนี้แสบนิดหนึ่งเล่าพระสูตรที่บางทีเรียกว่าเวทนาปริกหาสูตร แต่ในพระไตรปิฎกเล่มสิบสามซึ่งเป็นที่มาของสูตรนี้ที่แรกเรียกว่าทีฆะนาขาสูตรทีฆะนาขาแปลว่าเล็บยาวทีฆะนาขาปริภาชกนั้นก็แปลว่าปริภาชกผู้มีเล็บยาวทีฆะแปลว่ายาวนกขาแปลว่าเล็บอธิฆานขานะั้นเป็นใครเป็นหลานลุงของพระสารีบุตรได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาค เพื่อที่จะเห็นพระสารีบุตรก็รู้ว่าพระสารีบุตรนั้นได้บวชอุทิศพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้เลื่อมใสแต่ว่าก็ไม่ได้ขัดคอไม่ได้หมดความนับถือเพียงแต่นึกว่าทําไมพระสารีบุตรจึงไปบวชอุทิศแก่คนผิดอย่างนี้เท่านั้นเองนะ น, นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีความเห็นต่างกันก็ตอนนั้นนะ่ะเป็นเรียกว่าเป็นช่วง ปลายพรษาที่หนึ่งนะฮะจะเข้าพรรษาที่สองเนี่ยครับพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ถ้าสุกราขาตาที่เขาขีจกูนเมืองเลยทีเดียวพสารีบุตรได้ไปประพฤติบําเพ็ญธรรมอยู่ที่นั่นในตอนที่ปริพาชกเข้าไปหานั้นพระสารีบุตรกําลั ง, งปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่อุบาตอุบาต ก, ก็คือ ยืนถวายงานพัดอยู่อัตกระถาใช้คําว่ายืนทุกแห่งที่ไขเรื่องนี้แต่ว่าในพระไตรปิฎกใช้คำว่านั่งก็เห็นจะนั่งนั่งอย่ยืนยนะครับเป็นจังหวะท่าเรามงแต่พระผู้มีพระภาคทรงประทับนั่งอปริพชกก็เข้าไปยืนเฝ้าก็ว่าโดยความเคารพลุงจึงยืนเฝ้าการยืนเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เคารพจะเสมอไปแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเคารพ เมอแล้วแต่โอกาสอย่างบางครั้งนั้นนั่งกลายเป็นแม่กอลบแม่ธรรมดาของเราก็เหมือนกันเมื่อเข้าไปเฝ้าเนี่ยวันนี้ผมจะไม่ไม่เล่าละเอียดนะจะกลายเป็นพระสูตรซ้อนพระสูตรไปเอาความย่อๆพระท่านปริภาชกได้ทูลความเห็นของเขาแก่พระภูมีพระภาคว่าท่านพระโคนมความจริงข้าพเจ้า มีปกติกล่าวอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่พระเจ้าก็คือว่ามีความเห็นมีความเห็นเป็นปกติว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่พระเจ้าข้อความตรงนี้นะทางร่ า, อ า, ล, าลอยๆแล้วก็นถามว่าอะไรหมายความทําไงก็ไม่รู้จะอธิบายไงเหมือนกันแต่อตรตกระตาท่านอธิบายว่าคำว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่้าะเจ้าเนี่ยเป็นคาแสดงอุดเฉท ท, ทิฏฐิ ว่าการไปเกิดในภพไหนภพไหนก็ไม่ควรทั้งสิ้นและการเกิดใหม่ไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงธรรมคือในท้ายของประสูตรเนี่ยลุงฟังแล้วเป็นพระอราหันต์หลานฟังแล้วเป็นโสดาบันเบื้องต้นนั้นจะต้องทํำชาระอาทิปรมจันท์ให้บริสุทธิ์ก่อน ทิฏฐินั้นเป็นเบื้องต้นของพระอาจารย์อันหนึ่งถ้าหากว่าชำระอันนี้ไม่ได้ก็บรรลุไม่ได้แล้วผู้มีประภาคก็ได้ทรงตรัสแย้งว่าตรัสนั้นนี่ถือเป็นการชำระทิฏฐิอ่ความแลกว่าอักขิเวสนะแม้ความเห็นของท่านว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นก็ไม่ควรแก่ท่านแต่ตัวนี้ก็อธิบายนิดนึงว่า คนมีความเห็นผิดหลืเห็นถูกเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนสองส่วนเสมอส่วนหนึ่งคืออารมณ์หรือเรื่องที่เห็นว่าอย่างไรอย่างไรอีกส่วนหนึ่งคือตัวความเห็นมันเป็นของมาด้วยกันใช่ไหมคนจะมามีความเห็นว่าตายไม่เกิดโดยไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการตายการเกิดมาเห็นก็ไม่ได้ถับผู้มีพระภาค ได้ทรงตรัสตำหนิความเห็นแต่มิได้ตำหนิสิ่งที่ถูกเห็นเสียโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะการเกิดเนี่ยการเกิดใหม่ที่จริงแล้วคติเบื้องสูงของลกทธศาสนาก็ไม่ควรแก่ใครทั้งนั้นถูกไม่ถูกทุกคนควรจะทำตัวเองให้เป็นศูนย์คือตายแล้วไม่เกิดนะ แต่การมีความเห็นว่าตายแล้วไม่เกิดอย่างที่ไม่ได้หมายความอย่างพู้ถึงทมเบื้องสูงเนี่ยเป็นความเห็นผิดเพราะนั้นอย่างที่มีคนถามว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์กับอุจเฉทิฏฐิตีต่างกันอย่างไรก็ต่างกันตรงนี้ครัพระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดนั้นคือท่านทำความเกิดไม่ให้เกิดคือธรรมดามีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วทำไม่ให้เกิดเป็นธรรมดา แต่ผู้ที่มีความเห็นผิดเนีมยตัวมีความเกิดเป็นธรรมดาแต่สำคัญว่าไม่เกิดนี่ต่างกันตรงนี้จึงทรงตรัสเพิกความเห็นปฏิเสธความเห็นว่าความเห็นอย่างนี้ไม่ควรแก่ท่านด้วยคือคล้ายๆว่าคนโกรธเนี่ยก็นึกแต่ว่าไอ้คนที่ตัวจะประสาวะร้ายเนี่ยไม่สมควรอยู่แต่ไม่ได้นึกว่าไอ้ความโกรธของตัวเองต่างหาก เป็นสิ่งที่ควรทำลายไม่ใช่คนอื่นนั้นก็ให้ฆ่าความโกรธของตัวเองก่อนเกิดแค่พูดทำลองได้ใครอย่างนี้แล้วก็ยังโขกเสียงกันเป็นข้อความลึกซึ้งอ่านพระไตรปิฎกเองนะคงจะรู้ลำบากเพราะผู้มีภาคได้ทรงตรัสถอนทิฏฐิของปริพาชคผู้เป็นหลานจนถึงที่สุด อธิบายอย่างยืดยาวจากนั้นก <c oughs> ็ได้ทรงแสดงเรื่องของเวทนาแสดงเรื่องเวทนานี่เป็นการโปรดลุมกับโปรดหลานด้วยกรรมฐานอันเดียวกันในพระสูตรทรงแสดงลำดับอย่างนี้ได้ทรงแสดงกายก่อนเรียกว่ารูปกรรมฐาน ว่าร่างกายเป็นของไม่เทียงอย่างไรอย่างไรก็มาถึงเวทนาเป็นส่วนที่สองพอมาถึงเวทนานั้นแสดงสอดคล้องกับพระสูตรที่เรากาลังพูดถึงนี้แม้มีความบางอย่างในรายละเอียดต่างกันบ้างเล็กน้อยก็ได้ความว่าผมพลิกไปพิกมาเพราะเลียงหน้าผิดชนิดนี่ยพระผู้มีภาคได้ทรงแสด ง, สดงเวทนาซึ่งพระสารีบุตรฟังอยู่ด้วยว่าอักคิเวสนะ วเวทนาสามอย่างนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกกรมสุขเวทนาในสมัยใดอันใดเมื่อใดได้สวยสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้สวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกกรรมสุขเวทนาแม้เมื่อสวยเวทนาอื่นก็ไม่ได้สวยเวทนาอื่นอีกสองเอาความสรุปอย่างนี้ที่ทรงตรัสอย่างนี้ต้องการบอกอะไรต้องการจะบอกว่าเวทนา ไม่ใช่อันเดียวกันไม่ได้หมายว่ามีเวทนาอันหนึ่งยืนพื้นแล้วก็เปลี่ยนหน้าเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเมื่อเวทนาใดปรากฏเวทนาอื่นก็ไม่ปรากฏเวทนาที่ไม่ปรากฏคือเวทนานั้นยังไม่เกิดและเวทนาที่เกิดแล้วก็ละขณะค้นความปรากฏไปต้องการจะบอกอย่างนี้อย่าลืมว่าทั้งพระริบุตรทั้งปริพากฟังไปด้วยแล ะ, จะเจริญเวทนา ตามไปด้วยจากนั้นจึงได้ทรงตรัสถึงเวทนาว่าสุขเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งเกิดจากปัจจัยมีความสิ้นไปเรื่มไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้เวทนาอื่นที่เหลือก็เกิดจากเหตุจากปัจจัยนี่แสดงความเป็นอนัตตาด้วยเป็นอนิจจงเป็นทุกขังอยู่ในนีเ้เสร็จทั้งสามเวทนา แล้วก็อ น, นี้ถือเป็นวิปัสนาแล้วนะสําหรับคนที่มีบา ร, รมีแก่กล้าเนี่ยมองเห็นชัดเจนไอเห็นไม่ใช่เห็นในจินตนาการอย่างฟังปริยัติล้วนฟังไปก็นึกถึงข้อเท็จจริงในตัวเองไปเราอย่าลืมว่าเวทนาของคนเนี่ยจะฟังธรรมะอยู่หรือไม่ได้ฟังธรรมะอยู่ก็มีเวทนาสามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนฉลาดพูดสั้นๆ น, นั้นรู้ทันทีก็ได้ทรงแสดงว่า อาเดียตวกผู้ได้สดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหนายทั้งในสุขเวทนาทั้งในทุกขเวทนาทั้งในอทุกขมสุขเวทนาเมื่อหนายย่อมคลายตมืหนายคลายเมืหนายก็ย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็มีญาณอย่างรู้ว่าเป็นผู้หลุดพ้นรู้ว่าชาติสิ้นแล้วรมาจารย์อยู่จบแล้วกิจ อ, อื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้นิได้มีนิ่กล่าวตีลวดถึงพระอรหันต์เลยเอ่อ ทรงแสดงถึงขั้นอรหรันตภูมิแก่อักขิเวสนะที่ข้านักค่าแต่ที่ข้านักขานะบรรลุเป็นแค่พระโสุตดัตคือบรรลุไม่ถึงธรรมเทศนาขั้นสูงสุดแต่ทรงแสดงเรื่องนี้นะเพื่อโปรดพระสารีบุตรด้วยแม้จะไม่ได้จรัสว่าดูก่อนสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรก็โปรดพระสารีบุตรพระสารีบุตรนั้นได้ประโยชน์เต็มที่จากพระสูตรนี้บรรลุ เป็นพระอาหารหันต์นี่เป็นเรื่องที่มีอยู่ในสูตรนั้นเรามาดูในสูตรที่เราพูดค้างไว้ว่าพระสรัตยบุตรเมื่อได้กราบทูลว่าข้าพระเจ้ารู้ว่าในหน้าสามนะที่พระสารยบุตรกราบพุทธเจ้าข้าถ้าขาถามข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์พึงอข้าพระองค์เช่นนั้นเนี่ย ข่าพระองคุพปยากรอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้ว่าเวทนาสามนี้คือสุขทุกข์อนุกรรมสุขเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไม่ปรากฏอันนี้พูดถึงอารมณ์วิปัสนาว่าเมื่อรู้เวทนาสามอย่างโดยความเป็นทุกขเวทนาสามอย่างเนี่ยกล่าว โดยความเป็นหนึ่งอย่างในชั้นของอารมณ์วิปัสนาในมีสองสองส่วนนะฮะส่วนหนึ่งคือโดยลักวิเศษสาลักษณะหรือปัจจัยสาลักษณะก็คือสวยอารมณ์อันนี้ต้องจับไม่ได้เป็นเบื้องต้นก่อนส่วนที่สองเป็นหนึ่งอย่างอย่าง อ, า, ง อ, า, งอารมณ์วิปัสนาอย่างที่พระารีบุตรพูดเนี่ยพูดถึงเวทนาสามเหลืออย่างเดียวเป็นอย่างเดียวโดยอารมณ์วิปัสนาคือเป็นทุกข์ปรากฏโดยความเป็นทุกข์ เป็นของไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจมีแล้วก็ไม่มีปรากฏแล้วก็หายไปท่านไปเห็นอย่างนี้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีอทุกขกรรมสุขก็ดีเสมอกันโดยความเป็นอย่างนี้นี่คือเรียกว่ามีความรู้สึกเสมอกันแล้วก็ไอความเพลิดเพลิงคือตัณหาความกัห น, นัดอย่างที่เมื่อเป็นพุตธิชนกำหนัดเนี่ยก็ไม่มีตัณหาในเวทนาะนั้น เวทนาที่เป็นปัจจัยแก่ตัญหาก็ขาดตอนในปฏิจจานะเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัญหานั้นขาดตอนแก่ผู้กําหนดรู้ดังนี้มีพระภาคเมื่อได้ทรงฟังพระัตรีบุตรปราบทุนอย่างนี้ก็ตรัสอนโนโมทนาว่าสาธุสาธุตามที่เธอได้พยายามก่อนข้อ น, นั้นโดยย่อก็ได้ความดังนี้ว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นนิด เป็นการตรัสย้ำมาเวทนาสามเนี่ยในอารมณ์วิปัสนาเป็นอันเดียวเสมอกันหมดาอารมณ์วิปัสนาเนี่ยให้ค่าเวทนาเสมอกันหมดคือทุกถ้าในลักษณะเนี่ยอาจจะต่างกันว่าสุขเวทนาสวยอารมณ์โดยความเป็นสุขน่ายินดีทุกขเวทนาสวยอารมณ์โดยความเป็นทุกข์ใจแฟ เบกขาเวทนาสวยอารมณ์โดยความเป็นกลางอาจจะรู้สึกต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่เห็นโดยเวทนานั้นเห็นสิ่งที่ต่างกันโดยความเหมือนและเป็นความเหมือนที่ไม่น่ายินดีพอใจโดยเฉพาะศขเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าคุณค่าสูงแต่ในอารมาณ์วิปัสสนาแล้วสุขนั้นเป็นของมีคุณค่าต่ําเสมอด้วยทุกขเวทนา ให้เราเองเราก็อย่างที่ว่าเขาจะและเหมือนคนวิคนจริตที่เขาลองราทําเพลงใจโยโห่ร้องทั้งวีทั้งวันท่ามกลางแดดฝนเนี่ยเราถ้าเราไปถามเขาโดยที่เขายังบ้าอยู่ว่าเขามีความสุขหรือมีความทุกข์เขาต้องตอบว่าเขามีความสุขใช่ไหมแต่เราผู้ไม่บ้าเนี่ยมาถามเราผู้ไม่บ้าเขาย้อนถามเราบ้างเราเห็นเขาว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็ต้องบอกว่าเขาเป็นทุกข์ แล้วใครถูกใครผิดไอ้คนบ้าเขาต้องเลือกที่จะบ้าเห็นสาระของความรู้สึกนึกคิดของเขาขนาดนั้นแต่เราเราก็ไม่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นและถ้าคนบ้านั้นเป็นญาติสารูหิตของเราเราก็ไม่ปรารถนาจะให้เขาคงความเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปและเมื่อเขาหายบ้าแล้วเขาก็คงไม่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นอีกอันนี้ก็เทียบให้ฟังนั่นถ้า คนไปเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างเท่ากันเนี่ยก็ไม่ใหญดีไม่ชอบใจเหมือนอย่างที่ชอบที่เราเคยมีความตื่นเห็นคุณค่ามาแต่ก่อนเราพุทธเจ้าจึงตรัสอนุโมทนาว่าใช่เป็นทุกข์ทั้งนั้นก็ได้ตรัสถามต่อไปว่าถ้าเขาถามเธออย่างนี้ว่าท่านสาริบุตรเพราะเพราะหลุดพ้นเช่นไรท่านจริง ปวดอ้างอาราตผลว่าท่านรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วจนถึงกิจอื่นพวกความเป็นอย่างนี้นี่ได้มีท่านเป็นปยากร อ, อย่างไรอ่าอันนี้จะเห็นว่าคําถามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสถามทีแรกว่ารู้เห็นอะไรเนี่ยถามถึงอารมณ์วิปัสสนาว่าท่านรู้เห็นอะไรไมายัางไง เนี่ยเขเรียกว่าถามในส่วนเหตุปัญหาแรกนะแล้วท่านก็นตอบด้วยอารมณ์ส่วนเหตุปัญหาที่สองถามในส่วนผลว่าหลุดพ้นอย่างไรพอถามในเรื่องหลุดพ้นเนี่ยจะมีบทอธิบายในทางลึกลงไปอีกหน่อยซึ่งผมจะอธิบายไปตามนั้นด้วยหมายความว่าคนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยถ้าไปถามและจะอธิบายได้ทั้งสองส่วนทั้งสองส่วน อาสองส่วนใกล้ๆที่เป็นเหตุเป็นผลใกล้ๆกักนเนี่ยคือส่วนของอารมณ์วิปัสนาวิปัสนาญาณที่ทําให้ได้มรรคผลแล้วก็ส่วนของมรรคผลว่าเวลาบรรลุเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเวลาบรรลุเป็นอย่างไรนั้นแต่ละคนก็มีทั้งส่วนเหมือนและส่วนต่างขั้นวิปัสนาก็มีทั้งส่วนเหมือนส่วนต่างส่วนต่างก็เช่นว่าใครบรรลุอารมณ์เวทนา ใครบรรลุอารมณ์จิตใครบรรลุอารมณ์ธรรมข้อไหนอธิบายได้ทั้งตัวอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่ออารมณ์ของวิปัญนาพอในขั้นบรรลุลาตะมักระตาผลเนี่ยก็จะอธิบายได้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรอันนี้ก็มาดูที่ว่าภาษาลิบุตรอธิบายภาวะมรรคผลของท่านเป็นอย่างไรต่อไปเป็นคำทูลตอบแกพระผู้มีพระภาคว่าถ้าเขาถามเช่นนั้น ารพระองคุณพยากรว่าอาสะวะทั้งหลายย่อมไม่ครอบนำท่านผู้มีสติอยู่อย่างใดท่านสังเกตว่าพระอรหันต์เนี่ยเวลาท่านพูดถึงตัวท่านเองท่านจะกล่าวเป็นอย่างบุคคลที่ที่สองหรือที่สามเสมอท่านจะมักไม่กล่าวว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ เ, เวลากล่าวถึงอารียคุณ ท่านจึงใช้คำเรียกตัวท่านเองอย่างเป็นกลางไปดิ ว, ว่าท่านพูดอย่างเป็นสษาบันนะกล่าวว่าอาตวะทั้งหลายย่อมไม่ครอบํำคือไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นทั้งโดยสัมปยุทธในจิตแล้วก็ไม่ครอบํำทั้งโดยทําให้เป็นอารมณ์อย่างขันของพระอาหารหันต์ถือว่าเป็นเป็นธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะของท่านนะ เป็นวิสุทธิขันเป็นวิสุที่ขันจากกิเลส ข, ของท่านคือพูดง่ายๆพระหลานไม่มีความรักความจังตัวเองไม่ว่าโผมโคลเลฟฟันนางเนื้อพระหลานไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นต่อขันของท่านและในหัวใจในสันดาหของท่านก็ไม่มีอาสวะกิเลสปรากฏอยู่ในนั้นอีกเลยแต่ว่าขันของท่านนั้นอาจจะเป็นที่อาศัยเกิดของกิเลส จากบุคคลอื่นได้นะไม่สำคัญและพระหลานชื่อว่าเป็นผู้มีสติท่านก็กล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนี้มีสติทั้งในขณะที่บรรลุมรคนและหลังจากบรรลุมรคนชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีสติหลงลืมเป็นผู้มีสติบริบูรณ์ถ้าอย่างนั้นพระหลานไม่เดินหกล้มใช่หรือไม่ พระอาหารหันต์ไม่สำลักใช่หรือไม่ตอบว่าเรื่องสำลักเรื่องหกล้มเนี่ยมันมาจากเหตุหลายเหตุถ้าสำลักและหกล้มที่เกิดจากความขาดสติพระอาหารหันต์ไม่มีไปเหยียดสัตว์ตายจากความขาดสติหรือมีเจตนาโปร่งตัดเสียจากชีวิตพระอาหารหันต์ไม่มีแต่มีเพราะเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวด้วยกิเลส อย่างนั้นก็เป็นล่าหลามแก่ๆไม่ต้องไปยุง่งิไม่ต้องซื้อไม้เท้าถ่วายก็ยังเห็นพระดีๆท่านยังต้องใช้ไม้เท้ายังต้องนั่งรถเข็นสมัยก่อนรถเข็นคงยังไม่มีข้อความต่อไปที่บอกว่าเพราะหลุดพ้นในภายในข้อความนี้นะสำคัญครับมองเพลินๆเนมันไม่มีอะไรนะที่ว่าหลุดพ้นภายในบาลีใช้คำว่าอัดชัดตะวิโมก ความหลุดพ้นของพระอระหันต์หรือพระอริยาสาวกแม่ชั้นต่ำกว่านั้นมีอยู่สองอย่างพระหิทธาวิโมกกับอัชช ต, ติวิโมกและสารีบุตรนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแบบอัจช ต, วจชตวิวิโมกอัชฉริยะวิโมกวิโมกแปลว่าหลุดพน้นและคําว่า <c oughs> คนเนี่ยที่ใช้คาว่าวิโมกคือมรรคผลตัววิโมกเนี่ยคือมรรคผลอัดตะเป็นชื่อของนามรูปอัจฉรตะหรือเปล่านามรูปที่เป็นอารมณ์วิปัสนาถ้าทาวิปัสนาน เ, พเพื่อวิโมกคือหลุดพ้น บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้น อ, อ่าต้องดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะขยายระเบียบต่อไปแล้วก็ไอตัววิปัสนาเนี่ยเราเคยพูดกันมาในบางที่ซึ่งไม่บ่อยนะวิปัสนามีวิปัสนาชนิดหนึ่งที่เรียกวุฒฐานะคามินีวุฒฐานาก็แปลว่าออกก็คือวิโมกนั่นเองนี่ไอถ้าวิโมกเฉยๆหรือวุฒฐานะเฉยๆคือมรรคผล แต่คามิดีเนี่ยมันแปลว่าข้อปฏิบัติหรือยานที่เป็นตัวไปเป็นตัวนำไปวิปัสนาที่ไม่เป็นวุ ธ, ธานคาไมิดีก็มีคือวิปัสนาที่ไม่ได้อบรมไปจนถึงจุดตัวเรียกว่าต่อของมรรคผลวิปัสนาที่เข้าไปถึงจุดตัวเรียกว่าต่อของมรรคผลเนี่ยเรียกว่าวุ ธ, ธานคามิดีวิปัสนาวุฒานาเป็นชื่อของมรรค เพราะวิปัสสนานี้เป็นตัวนําไปสู่พุฒิฐานะจึงเรียกวุฒิฐานาคขามินีเหมือนอย่างนิโรดก็นิโรด ก, ท ก, รกนะ็ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานะทุกขานิโรธคามินีไม่ใช่นิโรดนิโรดไม่ใช่ทุกขานิโรธคามินีนั่นก็อย่าไปนึกเป็นอันเดียวกันนะนี้่ทีนี้เวลาคนทําวิปัสสนาไปจนถึงจุดทีเรียกว่าต่อเนี่ย อารมณ์ที่กำหนดเป็นภายในก็มีภายนอกก็มีเรามาพูดซะก่อนว่าตัววิปัสสนาญาณเนี่ยอ๋อแล้วก็ต้องพูดตรงนี้ซะก่อนด้วยนะเดี๋ยวจะไม่รู้ไอ้ในนอ ก, กคืออะไรในนอกมีหลายความหมายตรงนี้เราพูดว่าอันหนึ่งหมายถึง ในในตนเองกับคนอื่นคนอื่นเป็นนอกตัวเองเป็นในบางแห่งท่านหมายถึงความในคือข้างข้างหรือด้านอันนี้อย่างที่เข้าใจทั่วไปในบ้านนอกบ้านในไส่นอกไส่สาม หมายถึงความสำคัญไม่สำคัญเรียกว่านอกสำคัญเรียกว่าในาคนสำคัญเรียกคนภายในคนไม่สำคัญเรียกคนภายนอกสำคัญแก่ตัวเองนะหมายถึงสำคัญเกี่ยวกองตัวเองอในสูตรนี้คำว่าภายในภายนอกท่านหมาย ในหมายถึงตัวเองนอกหมายถึงคนอื่นทีนี้เรามาคิดดูว่าคนทําวิปัสนาเนี่ยเราทํามันประกอบด้วยตัววิปัสสนากับตัวตัวอารมณ์ตัวญาณกับตัวอารมณ์ตัวสติกับตัวอารมณ์นึกตัวนี้ดีนะอารมณ์เนี่ยในก็ได้นอกก็ได้แต่ตัวญาณ น, นั้นต้อง ในอย่างเดียวเราจะไปทําให้คนอื่นก็ได้ก็ไม่ได้คนอื่นจะมาทําให้เราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในตัววิปัตนาเป็นของข้างในแต่อารมณ์เป็นของข้างนอกบ้างข้างในบ้างแล้วแต่ทีนี้เวลาคนทําเนี่ยไปถึงจุดบรรลุแล้วเนี่ยนะครับท่านบอกว่าบางคนบรรลุ ด, ด้วยอารมณ์ข้างนอกบางคนบรรลุ ด, ด้วยอารมณ์ข้างใน ผมจะเขียนย่อๆให้ดูนี้นะคือพวกที่หนึ่งตั้งมั่นภายในหมายถึงวิปัสสนาญาณ น, นะตั้งมั่นภายในแต่ออกภายนอกผมผมว่าให้ฟังเป็นคำง่ายๆก่อนแล้วกันแล้วก็สองตั้งมั่นภายในออกภายใน 3. สามตั้งมั่นภายนอกออกก็ภายนอก สีตั้งมั่นภายนอกออกภายในตรงนี้จะเป็นถือเป็นหลักฐานได้ว่าที่เราเคยได้ยินถกเขียงกันว่าทำวิปัสสนาในกําหนดข้างนอกไม่ได้ต้องกําหนดข้างในนะไม่จริงทั้งในเบื้องต้นและเบื้องปลายนะจริงๆแล้วอารมณนะ์ในส่วนอารมณ์ได้ทั้งข้างนอกข้างในอาทีนี้ผมจะอธิบายอาจเขียนย่อให้ฟังว่าพวกที่หนึ่งคือพวก พวกกาหนดภายในและบรรลุภายนอกถ้าภ า, ภายในนะพวกกาหนดภายในและบรรลุภายนอกท่า น, นที่เรียงใก่อย่างที่ท่านว่าพวกนี้คือกําหนดนามรูปหรือสังขารในภายนอกงว่าภายนอกอยู่ก่อนแล้วก็ ภายภายในแล้วก็มากำหนดภายนอกแล้วก็กำหนดภายในอันนี้ผมว่าตามที่ท่านอธิบายและจริงไปบรรลุมรักมรักเป็นตัวออกเขียนให้หมดก่อนะพวกที่สองพวกอัจฉติวิโมกคือกำหนดภายในแต่เวลาบรรลุในบรรลุภายนอกท่านก็บอกว่า กำหนดนามรูปเป็นภายในแต่พอกำหนดนามรูปภายนอกจากนั้นแล้วบรรลุมักพวกที่สาม <c oughs> ตั้งมั่นในภายนอกหรือกาหนดภายนอกแล้วก็เวลาบรรลุนั้นบรรลุภายนอกด้วยอาจารย์อาาธิบายว่าคือกำหนดภายนอกอย่างเป็นหลักใหญ่ ใช้คำว่าตั้งมั่นแล้วก็วกมากลับมากําหนดภายในเป็นครั้งเป็นคราวและกําหนดภายนอกอีกจึงบรรลุมักพวกที่สี่พวกกําหนดภายนอกตั้งมั่นภายนอกแต่เวลามาบรรลุบรรลุภายในได้แก่พวกที่กําหนดภายนอกแล้วก็มากําหนดภายใน และจึงบรรลุมักเดี๋ยวเรามาดูพระสารีบุตรเป็นแบบนี่คือวิโมกวิโมกคือมักที่กล่าวถึงที่มาที่มาของมักก็คือวิปัสนาวิปัสนาก็ตัววิปัสนาก็อันเดียวกันแต่ว่าอารมณ์ต่างกันเราจะไม่พยายามสาวไปว่าทำไมถึงต่างกันยังไงในะเป็นรายละเอียดมากไปเอาเป็นข้อสรุปเด็ดเ็ ที่จำเป็นของเราตรงนี้คือพวกที่หนึ่งเนี่ยท่านใช้คาว่านี่ปัสนาตั้งมั่นภายในตั้งมั่นภายในคว่าตั้งมั่นหมายถึงว่ากำหนดเป็นกิจลักษณะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนามรูปของตัวเองจะเป็นลมของตัวเองเวทนาของตัวเองจิตของตัวเอง ภาษาของตัวเองก็แล้วแต่เป็นหลักเป็นฐานมาตั้งแต่ต้นทีนี้พอทําไปถึงจุดจะบรรลุมรรคผลเนี่ยครับก็ออกไปภายนอกไอ้ออกไปภายนอกเนี่ยมันต้องมีทุกคนแหละจากข้างในไปหลักแล้วออกไปภายนอกอบ้างเสร็จแล้วเมื่อจะบรรลุเนี่ยวอกกลับมาภายในจากนั้นจึงบรรลุมรรค ตรงนี้แหละที่เรียกว่าเป็นอัดชัดปากวิโกหลุดพ้นในภายในท่านถือเอาจุดหลุดวิปัสสนาตอนจหลุกตัวนี้ครับกำหนดคือพูดยานให้ให้ชัดเลยก็คือสังขารุเปกขายานกับอนุโลมมยานนะซึ่งเป็นยานสูงสุดของวิปัสสนากำหนดนามและรูป ของตัวเองอยู่จนถึงจุดจะหลุดถึงมักถึงผลเนี่ยแล้วก็บรรลุมักผลมักผลนั้นชื่อว่าสำเร็จจากวิปัสสนาญาณที่กำหนดนามรูปของตัวเองเป็นอัจชัิยวิโมกกำหนดภายในและหลุดภายในทีนี้พวกที่สอง กำหนดภายในแต่พอถึงจุดจะหลุดหลุดภายนอกกำหนดภายในมาเป็นหลักตั้งมันมาพอจะหลุดหลุดภายนอกปไว้เอาไปข้างนอกพับเนี่ยหลุดเลยคือถ้าชี้ยานชัดเนี่ยผมพูดชัดเนี่ยบางทีบางคนก็ยิ่งไม่ชัดนะเพราะว่าไม่พื้นไม่ได้แน่นอยู่ในใจถ้าในอนุโลมยานเนี่ยเป็นได้อย่างเดียวครับในหรือนอกเท่านั้น จะวกไปเรียนมาไม่ได้บริกรมรมอุปจารณุลมสามขนาดของอนุโลมยานนะในหรือนอกเท่านั้นไม่มีการเกิดซ้ำวนแต่ถ้าเป็นสังขารูปเปกขายานบางทีมันซ้ำวนนะพร้อมเกิดได้ไหลายขนาดเกิดแล้วอาจจะยังไม่บรรลุได้นึว่าเกิดสังขารูปเปกขายานอยู่ห้านาทีเอาแค่นี้พอทีแรกกนหนดไหนแล้วก็วนมานอกๆมาในอะไรี้ยนะ แต่พอจะบรรลุอนุโลมยานเข้ามรควิถีเนี่ยอนุโลมยานจับนามรูปของตัวเองหรือของคนอื่นภายในหรือภายนอกอยู่ที่การส่งของสังขารุปเปกลายานขณะสุดท้ายถ้าสังขารุปเปกลายานกำหนดนามรูปภายนอกอนุโลมต้องจับภายนอกจะไปจับภายในสวนกับ สังการุปรกะพยายามไม่ได้เพรมันบังคับกันอยู่นะตรงนี้แล้วก็ออนุโลมยางก็ไปบังคับมากที ท, ที่กําหนดอารมณ์ภายในหรือภายนอกแต่นี้พวกที่สามกำหนดภายนอกและบรรลุภายนอก <c oughs> คือกําหนดภายนอกเป็นหลักแล้วก็วกออกไปข้างข้างในบ้าง <c oughs> แล้วก็ออกมาข้างนอกพอออกมาข้างนอกภาพเนถึงจุดบรรลุเลย นอกนี้เป็นนอกของอนุโลมยานด้วยก็ บ, บรรลุมากพวกนี้เป็นไภหิทธาวิโมกพวกที่สี่กำหนดภายนอกแล้วก็มาบรรลุภายในก็ลงกันข้ามกันก็เลยโดยย่อมีสองไพหิทธาวิโมกกับอัดชัดตาวิโมกโดยถือเอาวีปัสนา ท้ายสุดก่อนมรรคผลเป็นสําคัญนะแล้วอชัชตะวิโมกหรือภีธาวิโมกก็มีอดีตย้อนวิวัฒนาขึ้นไปต่างกันพระสารีบุตรเป็นอย่างข้อที่หนึ่งครับเป็นอชัชตะวิโมกอย่างข้อที่หนึ่งเพราะท่านกาหนดเวทนาแล้วบรรลุบรรลุด้วยเวทนาของท่านแต่มันก็มีข้อแทจจริงอันหนึ่งว่า คนที่จะกำหนดหนักภายในภายนอกเนี่ยต้องกำหนดทั้งข้างในข้างนอกด้วยกันต่างกันแต่ว่าอันไหนจะมากกว่ากันอันไหนจะตั้งมั่นกว่ากันและจุดบรรลุจะเป็นอะไรเท่านั้นเองทีนีถ้ถ้าเป็นว่าผมถามทิ้งไว้ก็แล้วกันถามทิ้งให้ไปหาคำตอบเองหาไม่ได้ก็ลืมมันได้ ทำไมคนบางคนถึงบรรลุภายในบางคนถึงบรรลุภายนอกอ่านี่ลองไปคิดนะฮนะท่านอาจจะบอกว่าไอ้พวกบรรลุภายนอกไอ้พวกสีใสชอบสอดรู้สอดเห็นไอ้พวกบรรลุภายในคือพวกเก็บเนื้อเก็บตัวตัวไกลตัวมันอ่ก็อาจจะได้นะแล้วก็ลองไปนึกขยายเอานี่ผมใบ้นะพวกชอบทัศนาจรไว้นู่นไว้นี่สงสัยพวกนี้บรรลุข้างนอก พวกที่มาจากลมันโลกออกมาจากป่าเขาลาําเนาไใบนี่อยู่ตัวคนเดียวก็อาจจะบร็ลูกลุกเพราะท่านในทางลบในทางท <c oughs> ุลีในดวงตาพวกที่เห็นแก่ตัวจัดไม่เคยจะนึกถึงคนอื่นเขาเจ็บก็าปวดก็กยัางไรไม่เคยนึกถึงนี่ยก็เป็นพวกเวลาบรรลุอาจจะบรรนลุข้างในแต่พวกที่มีเมตตากรุณาคนอื่น <c oughs> เวลาบรรลุก็บรรลุข้างนอกนะ เป็นเป็นเหตุมันมีเหตุอีกหลายอย่างอว่าต่อไปในสูตรนี้ก็เป็นนั้นว่าภาษาริบุตรได้อธิบายคุณสมบัติของมรรคผลของท่านเองให้ปรากฏสวายเจ้าปุตตะจา่าแล้วก็กล่าวถึงอุปาทานสิ้นไปในทีเดียวนี่มีข้อความที่ที่เข้าใจยากเป็นคําง่ายแต่เข้าใจยากเข้าใจให้ซึ้งหน่อยก็ยิ่งดูจะยากกว่าธรรมดานนิดหนึ่งคือ ทั้งข้าพเจ้าก็มิได้ดูหมิ่นตนเองด้วยตรงนี้หมายความว่าอย่างไรคุณสมบัติตรงนี้นะสำคัญทั้งในส่วนเบื้องต้นไอ้เบื้องปลายนี่แน่นอนนะผมถามว่าคนเป็นพระอาราหาันแล้วมินเนี่ยเป็นชื่อของมานะดูหมิ่นผู้อื่นเรียกว่าอาติกมานะดีไหมครับพระอาหนเป็นอย่างนั้นไหม คนจะอาจจะลินทางวิปัสนาและดูหมิน่นคนอื่นดีไหมเลินดีไ้ยไม่เลินดีคนที่บรรลุเป็นพระอาารหันแล้วดูหมิ่นตัวเองน้อยกลัวเข้าไปหมดจะเดินข้างระตานก็ไม่กล้าจะยังวันนี้ก็ไม่กล้าจะเท่ก็ไม่กล้าพาอหันเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นไม่ดูหมิ่นตัวเองในลักษณะโอมานะโอมาณะคือมานะต่ำดูถูกตัวเอง มันคนละเรื่องกเตรียมตัวนะฮะอ่าแล้วก็คนเมื่อจะปฏิบัติธรรมในส่วนเบื้องต้นดูถูกตัวเองวอาอย่างเราคงนั่งไม่ได้แล้วอย่างเราคงเดิมอะไอย่างเราคงยังงีอย่างี้ไม่ไ ด, ด, ด้ดูถูกตัวเองจับถ้าละอันนี้ไม่ได้จริญในธรรมไม่ได้ต้องไม่ดูหมิ่นตัวเองด้วยไม่ดูถูกตัวเองด้วย ผมก็เลยรักที่จะใช้คําว่ามีลักษณะของความเจียมเนื้อเจียมตัวคนเจียมเนื้อเจียมตัวเนี่ยดูพอดีพอดีครัคือไม่กระด้างแล้วก็ไม่ดูหมิ่นตัวเองใช้คําว่าเจียมเนื้อเจียมตัวนะไม่ดูถูกตัวเองเราเรียกว่าเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็ให้ดูได้เลยครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเบื้องต้นถ้า ทำด้วยความเตรียมตัวนี่คงเจระัะนกันเยอะคงไม่พูดเยอะนะอะ่ถ้ามีลักษณะเตรียมเนื้อเจียมตัวคือไม่หยิ่งพยองยิ่งพยองนี่ทําไม่เสียนะถามว่าเคยรู้สึกไหมบางคนก็เข้าใจว่าหยิงอย่างไรยกตัวอย่างเอาชัดๆว่าสมมว่าเราไปที่นี่ปลาตั้งสอนกรรมฐานเราเคยผ่านงานมาเยอะแล้วพอจะไปแล้วก็ไปแบบหริง ไม่จเจริญครับเดียก็จะเสียงว่าเอา๊ก็ท่านสอนไม่ถูกจะไม่ให้ฉันหญิงได้ไงเสียงยิ้มได้ไหมไม่ได้อีกมันไม่จำเป็นต้องยิงนะถูกไม่ถูกก็ญิงผิดเสมอแหละนี่ถ้าดูถูกตัวเองดูถูกตัวเองว่าฉันเป็นอย่างงู้นอย่างอย่างที่บางคนเป็นจัดฉันมันแก่แล้วมั่ง ฉันมันยังง่อย่างนี้บ้างเอาโลกมาอ้างเอาโน่นเอานี้มามาดูถูกตัวเองอย่างนี้อาจารย์ต้องให้กําลังใจนะฮะต้องอธิบายให้กําลังใจดีๆฉันมีเวร ม, มีกรรมทำํำไปเยอะบ้างอะไรบ้างดูถูกตัวเองด้วยเหผลทางกิเลสทางกรรมทางสารพัดอย่างก็เจริญไม่ได้ต้องทําใจให้พอดีพอดีด้วยความรู้สึกเจียมเนื้อเจียมตัว ก็มักจะเรียบร้อยดีนี่คือคุณพมรยังสนพอเบื้องปลายและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสอนุโมทนาอีกว่าสาธุสาธุสาลิบุตรตามที่เธอระยากรข้อ น, นั้นโดยย่อก็อจะได้ใจความดังนี้ว่าอาสะวะเหล่าใดอันสมณะกล่าวแล้วข้าพเจ้าไม่สงสัยไม่เคลือบแกลงในอาสะวะเหล่านั้นอาสะวะเหล่านั้นข้าพเจ้าละ ได้แล้วหรืออย่างข้อนี้นะจะเห็นว่าพระสารีบุตรตอบแล้วพระเจ้าทรงสรุปให้ฟังให้สมกับเบื้องต้นที่พระสารีบุตรตอบแก่พระาลาละอย่างสรุปแล้วพระเจ้ามาพยายามให้ตอบอย่างพิสดารแล้วพระเจ้าก็ทรงสรุปเพื่อจะบอกว่าคําพูดจะแตกต่างกันอย่างไรเนื้อความเป็นอันเดียวกันทีนี้ข้อความตรงนี้นะ่ะอันนี้จะเป็นความรู้พิเศษ ความจึงผมก็พิงรู้เหมือนกนะเนี่ยยังไม่เคยบอกมาก่อนคือข้อความย่อดหน้าตรงนี้แหละครับว่าพระผู้มีพระภาคผู้สุคตตรัสดังนี้แล้วเสด็จลุกขึ้นจาก อ, อาพุทธาฏเสด็จเข้าไปยังพระวิหารเราอ่านดูเพ้อิงก็เหมือนไม่มีอะไรอนะเออเราเกิดมีบทอธิบายที่เกิดมีอะไรขึ้นมาว่า ถามว่าการสเสด็จลุกไปเนี่ยทรงสเสด็จลุกไปอย่างไรท่านขยายความว่าการสเสด็จลุกไปในลักษณะกลางคันอย่างนี้นะเป็นการสเสด็จลุกไปด้วยใช้คําว่าวิสัยของจิตวิสัยทางจิตไม่ใช่วิสัยทางกายคือสเสด็จลุกไปอย่างฤทธิ์เหมือนเทวดา กำลังแสดงประทับประทับจนแล้วทำทีจลุกล้วหายไปเลยครับทําไมต้องทําอย่างนั้นแล้วพระไม่ตื่นเต้นกันแย่เลยบอกไม่ตื่นเต้นเพราะท่านทาอย่างนี้บ่อยอครั้งถ้าหากว่าทรงสแสดงทำจนจบอย่างเป็นปกติธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษนะจะทรงประกาศการจบเทศนาแล้วก็ทรงสเสด็จลุกไปด้วยวิสัยทางกายี่นี่จะเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติ อีกแบบหนึ่งถ้าอย่างนี้แล้วพระจะรู้เป็นเรื่องพิเศษทำไมถึงต้องลุกสเสด็จลุกไปอย่างนี้เพื่อประการที่หนึ่งมไม่ให้ที่ประชุมลวนลวนในผมพยายามใช้คำง่ายๆอ่างน้ลวนเป็นไงรูนะ้ไหมคือพอผู้แสดงลุกคนฟังก็ลุกตามอันกลับไปคุยหรือไปทำกิจอย่างอื่นแต่กรณีของพุทธเจ้านี่เมื่อท่านสเสด็จลุกเนี่ย ก็เหมือนผู้ใหญ่จะกลับในหลวงสเสด็จกลับจะมานั่งเงียบๆไม่ได้แต่ในหลวงก็ไม่ได้กลับแบบพุทธเจ้าเสด็จกลับอย่างนี้นะนนั้นทุกคนก็ต้องต้องอย่างน้อย ก, ก็ต้องยืนขา ว, วอกันก่อนเพื่อแล้วก็บางส่วนก็จะต้องลุกไปส่งสเสด็จด้วยความเหมาะสมตามฐานานุรูปนะพวกที่จะไปเข้าแถวซื้อตรงแล้วก็ว่ากันไปตามสภาพด้วยความเต็มอกเต็มใจ มันพระพุทธเจ้าเองอย่างนี้เหมือนกันถ้าหากว่าทรงสเสด็จทรงทำอย่างนี้ที่ประชุมลวนแล้วก็ทุกคนก็จะต้องไปส่งพระองค์ทำให้การที่จะเปิดโอกาสให้พระสารีบุตรแสดงธรรมต่อเป็นไปได้ยากต้องไปเลียกเข้าที่ประชุมกันไหมพรเจ้าท่านเลยไปอย่างนั้นไปอย่างที่ทุกคนไม่ต้องลุกตามก็ระตามก็ตาม ไ, มได้ และพระทั้งหลายก็รู้ว่าเราไม่ต้องลุกไปไหนเป็นพุทธประสงค์ที่จะเสด็จไปอย่างนี้เพื่อใช้คําว่าเพื่อยกย่องบุคคลกับเพื่อยกย่องธรรมยกย่องบุคคลก็คือให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมต่อหรือบางทีก็ว่าพวกพระเนี่ยเมื่อเห็นอย่างนี้ก็รู้ว่าไม่ต้องตามไปถามไม่ต้องตามไปส่ ง, งไปถามบุคคลอื่นก็ได้ที่พระพุทธเจ้าท่านจะให้ บ่อแสไว้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปพระสารีบุตรก็แสดงถามต่อได้ทันทีเลยนะแข้อความในสูตรนี้จึงมีว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปแล้วไม่นานนะักท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาค ตรัสถามปัญหาข้อแรกกับผมซึ่งผมยังไม่เคยรู้มาก่อนผมจึงทูลตอปัญหาล่าช้าไปพอเมื่อพระผู้มีภาคทรงอนุโมตนาปัญหาข้อแรกของผมแล้วผมจึงคิดได้ว่าถ้าพระผู้มีพภาคจะตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดวันได้บทอื่นๆคือเปลี่ยนคำพูดหลากหลายในยะหลากหลายอย่างไร ปริยาอยอื่นๆผมก็จะตอบถวายพระผู้เหนือภาคโดยปริยาอยอื่นตลอดตั้งวันอันนี้อ่านข้อความตัวนี้แล้วเราก็อาจจะตีความพระสัตรุดุษฎไม่เข้าใจปัญหาเลยอะไรแต่จริงๆอธิบายอย่างเนี้จริก็ข า, ขาแปลมาอย่างนี้นะที่ว่ารู้ชาเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนนะคือพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่รู้พุทธประสงค์ว่าทรงถามอย่างนี้เพื่ออะไรถามย้ําว่า ในข้อแรกที่บอกว่านั่นแหละเธอจะตอบอย่างไรก็ตามประตามเธอแต่โดยความหมายก็เท่ากับประกาศอารหันตะคุณของเตอให้ปรากฏนั่นเองแล้วพระสารีบุตรก็บอกครับพระพุทธเจ้ามไม่ได้กล่าวด้วยบทด้วยไฟยชนะนั้นนะในตอนนี้นะพระสารีบุตรยังจักพุทธประสงค์ไม่ได้ว่าพระผู้เหนืภาคต้องการให้พระสา ร, รีบุตรนั้นอธิบายข้อความตรงนี้ให้ได้พอ พระผู้มีพภาคทรงตรัสไปเด่นนิดหนึ่งก็รู้เอพระผู้มีพภาคทรงมีพระสงค์จะให้พระธริบุตรอธิบายข้อความตรงนั้นรู้เลยว่าเมื่อพระผู้มีภาคทรงสาธุในที่อยู่ในหน้าที่สองปัญหาข้อแรกอยู่ในหน้าที่สองนะก็จึงรู้เมื่อรู้ปฏิพานก็ปรากฏว่าถ้าอย่างนั้นจะถามโดยเนื้อหาเนี่ยหลากหลายโดยนัยยะอย่างไร เราก็สามารถที่จะตอบโดยนัยยะอันหลากหลายอื่นๆกี่วันกี่คืนก็ได้ก็หมายความอย่างนี้ครับข้อความหลังในหน้าสี่เป็นข้อความที่ไม่ต้องอธิบายก็เป็นอันว่าพระธารบุตรได้ออกเนื้อความนี้และพิสูจทั้งหลายก็พาคันชื่นชม คืมีข้อสังเกตอันหนึ่งที่อาจรยถาท่านให้ข้อสังเกตไว้เหมือนอย่างที่เราพบในพระสูตรว่าบางทีพระเจ้าทรงสแสดงแล้วสแสดงโดยย่อและทรงสเสด็จกลับด้วยอาการอย่างนี้พระสงค์เนี่ยถ้าพระสําคัญไม่ได้อยู่ในที่นั้นพอที่จะนิมนต์ให้มาตอบขยายความได้ก็จะพากันไปหาที่กุติหาท่าน อ, อ น, นุนบังหาท่านกัจจายนะบางให้อธิบายพออธิบายเสร็จแล้วพระเหล่านั้นแทนที่จะยอมยุติง่ายๆท่านก็เอาคําวิสัชนาไปถามพระพุทธเจ้าอีก แล้วจึงกลับมาเล่าให้พระพูดตอบที่แลกฟังภายหลังทำไมถึงต้องทาอย่างนั้นตอบว่าเพราะว่าการเรียนรู้ของพระสมัยก่อนเนี่ยท่านที่ถีพิ่ถันเพราะว่าสิ่งที่พร ะ, พ, ระพุทธเจ้าตรัสหรือพระอาจารย์บอกเนี่ยถือเป็นหลักฐานนะถ้าต้องการความชัดเจนว่าออย่างนี้ปัญญะอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงอนุมัติไหมอนุมัติหรือไม่ ต้องเอาไปถามพระผู้มีพภาคให้ทรงประทับตราพระรัชกรทับหลงว่าแม้เราเมื่อเธอมาถามเราเราก็จะกล่าวอย่างนี้ก็หมายความว่าทั้งอัดทั้งวิจารณะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นพึงทรงจําไว้ได้ในฐานะเป็นพุทธพจน์จะได้เอาไปเรียนรู้สายทอดแล้วก็ยังกันและกันให้ทรงจําปฏิบัติต่อก็วันนี้จบเท่านี้นะครับตาวหน้าเรายังจะพบกันอีกอีกครั้งหนึ่งสำหรับในช่วงนี้ แล้วผมจะขอหยุดไปสองสองสอ ง, ส อ, งอาทิตย์นะแต่ว่าอาทิตย์แรกเนี่ยก็จะมีพระอาจารย์นิมนต์มาพูดให้ฟังอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์ที่สี่จะหยุดพักอาทิตย์นะเช่วยยาวจชกรก็อยากจะหยุดเพื่อไปทํางานที่ประเดี๋ยวดังมาก็เลยจะขอหยุดตั้อาทิตย์หนึ่งอาจารย์นิสามีอะไรนยครับเชิญ อ, นะอย่างนั้นก็ผมยุดติเท่านี้เลยนะสําหรับผม